สวัสดีคะ่ะท่านผู้ฟังชมรมพุทธคุณขอน้อมนำธรรมบรญญการคือธรรมบรรยายในชุดการเจริญภาวนาธรรมบรรยายชุดนี้เป็นธรรมบรรยายที่จะสามารถทําให้ผู้ฟังน้อมนําไปปฏิบัติในแง่ของการเจริญภาวนาได้อย่างเป็นจริง ธรรมบปัญญาชุดนี้ตั้งชื่อว่าหลักคิดหลักปฏิบัติเพื่อการพ้นทุกข์่าวหลักคิดนั้นหมายความว่าการที่เราจะดำรงอยู่ในสิกขาสามนั้นผู้ปฏิบัติต้องเข้าใจสามารถตรึกและตรองได้ว่าสิกขาสามอันได้แก่ศีลสิกขาสมาธิสิกขาปัญญาสิกขานั้น จะต้องดำเนินอยู่บนฐานข้อมูลที่จะทำให้ชวนาจิตนั้นเป็นมหากุศลดังนั้นหลักคิดหลักปฏิบัติเพื่อตรงเข้าสู่การเจริญภาวนานั้นจะเป็นการทำให้ผู้ฟังได้เข้าใจและสามารถน้อมนำไปปฏิบัติจะเป็นการประหารความหลงตรงเข้าสู่พันิชพานได้โดยแท้ค่ะ ในลำดับการปฏิบัติธรรมนั้นก็ทิ้งไม่ได้ในเรื่องของการที่จะต้องเจริญกุศลเป็นขั้นๆไปการเจริญภาวนาที่มีลำดับของการเดินเข้าสู่คำสอนของพระบรมศาสดาก็ได้บรรจุไว้ในเนื้อหาของซีดีชุดนี้ด้วยการศึกษาและการกระทำโดยลำดับเป็นความสำคัญอย่างยิ่งของการเจริญภาวนาค่ะ โดยเฉพาะการพิจารณาในเรื่องของการให้ทานการรักษาศีลจะเป็นพื้นฐานของการเจริญภาวนาไปจนกว่าจะถึงโลกุตตะธรรมทีเดียวเมื่อผู้ปฏิบัติรู้จริงก็สามารถที่จะปฏิบัติได้จริงเพื่อเป็นการก้าวสู่ในเส้นทางของมัชฌิมาปฏิปทาสิ่งหนึ่งที่ทิ้งไม่ได้คือต้องศึกษาให้เข้าใจ มัชฌิมาจะปรากฏได้ก็ต่อเมื่อผู้เจริญภาวนาเป็นผู้ที่ ต, อตรองดำริหรือแม้แต่การที่จะทำให้ส ม, มาธิฏฐิอ ง, งสมาธิก็จะต้องประพฤติปฏิบัติเข้าสู่องค์ของสัมมาสมาธิให้ได้ถูกต้องคะ่ะการสร้างเหตุการสร้างปัจจัยที่จะนำมาสู่การปฏิบัตินั้น ถือเป็นการสร้างเหตุการสร้างปัจจัยที่สำคัญที่จะนำให้ถึงอริยสัพภายในธรรมะบรรยายอันทรงคุณค่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่สนใจในการปฏิบัติธรรมกลุ่มผู้สนใจใหม่ก็จะเป็นประโยชน์ในแง่ของการเข้าถึงธรรมะได้ตรงประเด็น ไม่เสียเวลาในการที่จะไปสาอแสวงหาวิธีการปฏิบัติด้วยตนเองแล้วก็เหมาะควรอย่างยิ่งสาหรับนักปฏิบัติที่ปฏิบัติมาบ้างแล้วหรือแม้แต่ปฏิบัติมานานแล้วมเมื่อได้รับฟังธรรมะปัญญยายชุดนี้ก็จะเป็นเครื่องมือที่จะทำให้ท่านนั้นให้มุ่งตรงสู่พระนิพพานโดยไม่เนิ่นช้าเช่นเดียวกันค่ะ ชมรมพุทธคุณขอกราบขอพระคุณคุณกิติมาที่ได้กรุณาเอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดอบรมภาวนาในวันที่14มกราคมถึงวันที่21มกราคมพุทธศักราช2554 และขอกราบอนุโมทนาในกุศลละจิตของทุกท่านที่ทำให้การอบรมภาวนาในครั้งนี้ดำเนินไปได้สำเร็จได้ขอกราบอนุโมทนากราบระลึกถึงท่านพระอาจารย์ที่มีความเมตตาอย่างสูงสุดในการอบรมภาวนาในครั้งนี้ความกรุณาความเมตตาของท่านประดุจหนึ่งว่า เปิดของที่ความอยู่ให้หงายขึ้นเหมือนกับจุดไฟในที่มืดเหมือนกับผู้ชี้ทางบอกคนหลงทางธรรมะบรรยายอันสูงค่านี้เกิดจากเมตตาจิตของท่านพระอาจารย์สมโท ป, ประกกมโงที่จะยังให้ผู้ประพฤติปฏิบัตินั้นได้เกิดหนทางแห่งการปฏิบตัติและจะยังให้ผู้ที่สนใจในการปฏิบัตินั้น ได้พบแสงสว่างแห่งทางธรรมขอเชิญทุกท่านน้อมจิตให้เลื่อมใสน้อมใจให้ศรัทธาจเจริญปัญญาในระหว่างการฟัง